ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงอาวัชนาการเหตุนั้นก็ทรงเห็นพระเจ้าในมิราชกำลังทรงปริวิตกอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าเราจะตัดความสงสัยของเธอจึงเสด็จมาโดยพลันแต่พระองค์เดียวทำส ก, กลราชนิเวศให้มีรังสิโยภาดเป็นอันเดียวกันเข้าสู่ห้องบรรทมอันมีสริ แผ่รัสมีสถิตยอยู่ในอากาศทรงพยากามปัญหาที่พระเจ้าในมิราชตรัสถามพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเท้ามขวานเทพกุณชนสหเสนศงเส้าประดาริของพระเจ้าในมิราชทรงกำจัดความมืดด้วยรัสมีปรากฏขึ้นพระเจ้าในมิราชจอมมนุษย์มีพระโลมชาติชูชัน ได้ตรัสกท้าวาสวะว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นท้าวสักกะผู้ให้ทานในก่อนรัศมีของท่านเช่นนั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นหรือไม่ได้ยินมาเลยพอท่านจงแจ้งตัวท่านแก่ข้าพเจ้าขอความเจริญจงมีแก่ท่านพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไร ท้าววสวะทรงทราบว่าพระเจ้าเนมิราชมีพระโลมาชาติชูชันได้ตรัสตอบว่ามอมชั้นเป็นเท้าสกกะจอมเทพมาสู่สำนักพระองค์ท่านพระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์พระองค์อย่าทรงมีพระโลมาชาติชูชันเลยเชิญตรัสถามปัญหาที่ต้องพระประสงค์เถิดพระเจ้าเนมิราชทรงได้โอกาสฉะนั้นแล้วจึงตรัสกะท้าววสวะว่า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 สโลมหัดโถความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าเนมิราชนั้นทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจึงทรงแลไปในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นเท้าสักกะเทวราชนั้นประดับด้วยทิพยาภรณ์มีพระโลมชาติชูชันเพราะความกลัวจึงตรัสถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือดังนี้เป็นต้นคําว่ายาทรงมีพระโลมชาติชูชัน อโลมหัตถูความว่าพระองค์อย่าทรงกลัวอย่าทรงมีพระโลมชาติชูชันเลยจงถามเถิดมหาราชคำว่าตรัตกะท้าวาสวะวาสวังอวะจะัความว่าทรงมีพระททยยินดีได้ตรัสแล้วข้อว่าจึงตรัสบอกทรงทราบแก่พระเจ้าในมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบชานังอัคาสิชาณโต ความว่าภิกษุทั้งหลายเ้าสักกะเทวราชนั้นทรงทราบวิบากแห่งพรหมจันทร์ซึ่งเคยทรงเห็นประจักษ์ด้วยพระองค์เองในอดีตพบจึงได้ตรัสบอกแก่พระเจ้าในมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบในคำว่าอย่างต่ำอีเนนะเป็นต้นมีวินิจฉัยว่าในลัทธิเดียรถีโดยมากศีลเพียงเมถุนวิรัตชื่อว่าพรหมจันทร์อย่างต่า ผู้บำเพ็ญย่อมเกิดในขติยสกุลด้วยพรหมจรัญอย่างต่ำนั้นการได้อุปจาระชานชื่อว่าพรหมจรัญอย่างกลางผู้บำเพ็ญย่อมเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรัญอย่างกลางนั้นก็การให้สมาบัติแปดเกิดชื่อว่าพรหมจรัญอย่างสูงสุดผู้บำเพ็ญย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรัญอย่างสูงสุดนั้น ชนภายนอกพระพุทธศาสนากล่าวพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นว่านิพพานผู้บำเพ็ญย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์นั้นแต่ในพระพุทธศาสนานี้ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาเทพนิกายอย่างใดอย่างหนึ่งพรหมจรรย์ของเธอชื่อว่าต่ำเพราะเจตนาต่ำเธอย่อมบังเกิดในเทวโลกตามผลที่เธอปรารถนานั้น ก็การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติแปดให้บังเกิดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางเธอย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้นการที่พิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาอย่างอารหัตตมรรคให้บังเกิดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเธอย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นคําว่าโมกายา ได้แก่หมู่พรมคำว่าด้วยการประพฤติวิงโวลยาจะโยเคนะได้แก่ด้วยประกอบการขอร้องหรือด้วยประกอบการวิงโวลอธิบายว่าด้วยการประกอบการบูชายันบทนี้เป็นชื่อของทายกนั่นเองแม้ด้วยประการทั้งสองคำว่าบําเพนตบะธรรม ตปปสิโนได้แก่ผู้อาศัยตบะธรรมท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญว่ารัมหาราชการประพฤติพรหมจันท ร, ร์เป็นคุณมีผลมากกว่าทานร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าด้วยประการชนิขันทรงแสดงความที่การอยู่พรหมจันท ร, ร์เป็นคุณมีผลมากด้วยคาถาแม้นี้แล้วบัดนี้จะทรงแสดงพระราชาทั้งหลายในอดีต ผู้บริจาคมหาทานแล้วไม่สามารถจะก้าวล่วงก้ามาผจรไปได้จึงตรัสว่าพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าทุทีปราชพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพระคีระสราชพระเจ้าอุสินนรราชพระเจ้าอัฐกราชพระเจ้าอัศกราชพระเจ้าปุตถุธนาราช และกษัตริย์เหล่าอื่นกับพรามเป็นอันมากบูชายันมากมายก็ไม่ล่วงพ้นความละโลกนี้ไปคาถานั้นมีความว่ามหาราชพระราชาพระนามว่าทุทีป ร, ราชนะกรุงพารณาสีในการก่อนทรงบริจาคฐานเป็นอันมากสวรรคตแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นกามาพจรนั่นแล พระราชาแปดองค์มีพระเจ้าสาคลราชเป็นต้นก็เหมือนกันก็พระราชามหากษัตริย์และพรามอื่นๆเหล่านั้นมากมายได้บูชายันเป็นอันมากบริจาคทานมีประการไม่น้อยก็ไม่ล่วงพ้นความละโลกนี้กล่าวคือกามวจรภูมิไปได้จริงอยู่เหล่าเทพชั้นกามาพจรเรียกกันว่าเปตะเพราะสำเร็จได้โดยอาศัยผู้อื่น เพราะเหตุกิเลสวัตถุมีรูปเป็นต้นสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวย่อมไม่รื่นรมย่อมไม่ได้ปีติเกิดแต่วิเวกชนเหล่านั้นถึงจะมีโภคสมบัติเสมอด้วยพระอินก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้ความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่น ท้าสักกะเทวราชทรงแสดงความที่ผลแห่งพรหมจันทร์นั่นแหลเป็นของมากกว่าผลแห่งทานแม้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงดาบทผู้ก้าวล่วงเปตพพด้วยการอยู่พรหมจันทร์บังเกิดในพรหมโลกจึงตรัสว่าฤาษีผู้ไม่มีเย่าเรือนเหล่านี้บัมเพนตะบะรำได้ก้าวล่วงกามาวจรพบแล้วโดยแท้ คือรูสีเจ็ดตนอันมีนามว่ายามะหนุฤูสีโสมยาคฤรูีมโนชวะรูสีสมุทรูษีมาคฤรูีพรตฤรูีและกาละบุรคิตะรษีและฤูสีอีกสี่ตนคืออังคีรสะรูสีกาสปะรูสีกีสวัชชะรูสีและอักันติฤูสี บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าได้ก้าล่วงอติวัตติงสุได้แก่ก้าล่วงกามาวจรพบคาว่าบําเพนตบะธรรมตาปสโนความว่าอาศัยตะบะคือศีนและตบะคือสมาบัตแปคคาว่ารูสีเจ็ดตนสัติสโยท่านกล่าวหมายเอารูสีพี่น้องกันเจ็ดตนมียามะหนุฤูสีเป็นต้น รูสีเหล่านี้กับฤูสีสี่ตนมีอังคีระสะฤูสีเป็นต้นรวมเป็นรูสีสิบเอ็ดตนท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญพรห ม, มจริยาวาดว่ามีผลมากตามที่ได้สดับมาอย่างนี้ก่อนบัดนี้เมื่อทรงนําเรื่องที่ทรงเคยเห็นด้วยพระองค์เองมาจึงตรัสว่าแม่น้ําชื่อสีทามีอยู่ทางด้านทิศอุดรน เป็นแม่น้ำลึกข้ามยากการจะนะบรรพศมีสีประหนึ่งไฟที่ไม่ไม้อ้อโชดช่วงอยู่ในการทุกเมื่อที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีต้นกฤษณางอกงามมีภูเขาอื่นอีกมีป่าไม้งอกงามแต่ก่อนมามีฤาษีเก่าแก่ประมาณหมื่นตนอาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นมอมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยทาน ด้วยสัญญมะและธรรมะมอมชั้นอุปถากดาบทเหล่านั้นผู้ปฏิบัติวัจจริยาไม่มีวัดอื่นยิ่งกว่าและมูฆณะไปอยู่ผู้เดียวมีจิตมั่นคงมอมชั้นจากนมส ก, การนรชนผู้ปฏิบัติตรงจะมีชาติก็ตามไม่มีชาติก็ตามเป็นนิตยการเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์วั น, นะทั้งปวงที่ตั้งอยู่ในอธรรม ย่อมตกนรกเบื้องต่ำวันณะทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์เพราะประพฤติ ธ, ธรรมสูงสุดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทางด้านทิศอุดร อ, อุ ต, เตรเณความว่ามหาราชในอดีตการมีแม่น้ำชื่อว่าสีทธไหลมาระหว่างสุวรรณบันพศทั้งสองในหิมมวันตะประเทศด้านทิศอุดอนเป็นแม่น้ำลึก ยานมีเรือเป็นต้นข้ามยากเพราะเหตุไรเพราะแม่น้ำนั้นมีน้ำละเอียดยิ่งแม้เพียงแต่แววหางนกยูงตกในแม่น้ำนั้นก็ไม่ลอยอยู่จมลงถึงพื้นทีเดียวเพราะน้ำละเอียดด้วยเหตุนั้นแหละแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีเธก็การจนะบรรพศเหล่านั้นใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำนั้นมีพันดุดไฟไหม้ไม้อ้อชดช่วง คือสว่างอยู่ทุกเมื่อคําว่ามีต้นกฤษณางอกงามปรณหคัดฉาตะคราความว่าริมฝั่งแม่น้ํานั้นมีต้นกฤษณางอกงามเป็นกฤษณาที่มีกลิ่นหอมคําว่าภูเขาอื่นอีกมีป่าไม้งอกงามปรณหคัดฉาวนาณคาความว่า ภูผาอื่นๆในที่นั้นมีพื้นที่งอกงามไปด้วยหมู่ไม้อธิบายว่าปกคลุมไปด้วยพฤกษชาติทรงดอกและผลคำว่าอาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นตระราสูงความว่ามีฤาษีนับด้วยหมื่นอาศัยอยู่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมนั้นท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้อภิญยาห้าสมาบัตแปด บรรดาฤาษีเหล่านั้นถึงเวลาพิกษาจาร์บางพวกไปถึงอุตรกุรุทวีปบางพวกนำผลว่าใหญ่มาบางพวกนำผลไม้น้อยใหญ่ที่มีรสหวานในหิมมวันตะประเทศมาฉันบางพวกไปสู่นครนั้นนั้นในพื้นชมพูทวีปแม้คนหนึ่งที่ถูกตันหาในรถครอบงำก็ไม่มี ท่านเหล่านั้นยังการเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขในฌานเท่านั้น